เรื่องหนทางราบเรียบหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริภาชิกาเดินสวนทางมามีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงทางของเธอราบเรียบหรือแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าเจ้าคะ่ะนี่มนพระคุณเจ้าเดินไปเถิดท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังขาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่เจ็ด